อาจารย์ครั บ, ก, บรการบรรลักษการครับผมเจ ร, ริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับพอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อเช้าคนใส่บาตรกันเยอะไหมครับผมเท่าเดิมประมาณสี่ร้อยหกสิบกว่าคนโอ้ครับเดี๋ยวนี้สี่ร้อหกสิบนี่เป็นฐานแล้วนะครับพระอาจารย์สต่ก่อนไน้กว่า ครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่ขึ้นขนึ้นลครับผม ม, มประมาณนี้ครับผมแล้วใส่ออนไลน์อีกสองร้อยกว่าคนเหมือนเดิมใช่ประมาณนั้นครับผมแล้วฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ครับตอนบ่ายถ้าคนที่มาที่หน้าบุติเยอะสองร้อยี่สิบกว่าคนเหมือนกัแต่ทั้งออนไลน์กับน้อยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แสดงธรรมเพราะมีปัญหาเรื่อง ระบบเสียงไม่ไม่ทำงาน เ, ออเป็นปกติไลนแสนดงทำว่าจะไม่ได้ยิ น, นเลยเอาการนั่งสมาธิแทนโอคครับผมอะไรนั่ง ย, ยาวหน่อวันนี้นั่งรมาณตั้งสี่สิสี่สิบ้านาทีสี่สิบสามนาทีถูกครับ<ต> น, นีเขามีของร้อยกับคนหน่ที่ออนหลายทั้งที่มาที่นั่ที่ว่าที่นั่งตีนะครับผม วันนี้พระอาจารย์ก็เลยได้แสดงธรรมที่นี่แทนครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็แปดร้ยกว่าคนแล้วครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับผมเวลาตอนนอนชอบฟังธรรมะแล้วก็มีวันหนึงไปเปิดเจอกฎแห่งกรรมครับเรื่องของทอเรียงพี่บูนสมัยก่อนนะครับอาจารย์เคยเรียนไหมครับแล้วฟังแล้วก็ก็ฟังแล้วเออหลับสบายดีครับพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะฟังเรื่องกฎแห่งกรรมจากอาจารย์เพราะพระอาจารย์บอกว่ากฎแห่งกรรมกับกฎใจรักนี่ เป็นเรื่องของจิตกับเรื่องของกายใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่โดยหลักก็ารก็ส่วนใหญ่กฎแท่งกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับจิตใจผมแต่มันก็มี ส, ส่วนที่ไปเกี่ยวกับร่างกายด้วยแตเ่เป็นเรื่องของพบหน้าชาติหน้ามกว่าเพราะฉะนั้นเราทําดีชาตินี้เราจะได้เดีได้ดีอันนี้แต่ชาติหน้าจะได้เดีได้ดีกว่าชาตินี้ถ้าเราทําดีครับ การทำย่าโดยนักโกนแห่งกรรมนี่มันจะเกี่ยวข้องกับใจใจนี่เป็นธาตุรูปที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รับผลของกรรดังที่หมดที่เราสวดกันเรามีกรรเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดว่าเนี่ยเป็นบุญนร้อเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะว่าเราตัวนี้ก็คือธาตุรูปคือใจไม่ใช่ร่างกาย ถ้าผลที่จะเกิดขึ้นกับใจนี้มันมีอยู่สามสามระยะด้กันระยะแรกเวลาทำบุญหรือ ท, ทำบาปนี้จะเกิดผลเกิ ค, ความรู้สึกที่ใจทันทีทำบาป ก, ก็จะมีความทุกใจไม่สบายใจทำบุญก็ยังมีความสุขใจอิ่มใจอันนี้คือผลอันแรกผลที่เกิดขึ้นทันทีแต่ผลไม่ได้เกิดของร่างกายอะไรนะร่างกายทำบาป ก, ก็ยังไม่มี ไม่ได้กลายเป็นหน้าตาแบบน่าเกลียด น, น่ากลัวขึ้นมาหรือว่าทําบุญก็ไม่ได้เป็นหน้าตาเป็นธรรมดาขึ้นมามันไม่ได้เปลี่ยนที่ร่างกายมันเปลี่ยนที่จิตใจนี่คือขั้นที่หนึ่งคุณที่เราทํามันยากจะสะสมด้วยจะเกิดความสุขใจแล้วความสุขใจนี่ก็จะสะสมอยะสะสะสมู่ในใจยังไม่หายไปทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำํำเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมา เช่นย่งเช่ใ น, านาบาปทุกครั้งที่เราทํำบาปแล้วมันจะเป็นคามไม่สบายใจแล้เวลาเราไปคิดถึงบาปที่เราทําที่แล้วมันก็ทำให้เร า, เราไม่สบายใจทุกครั้งไปทัานแสดงว่าบุญหร บ, บาปที่เราทําไว้มันยังไม่ได้หายไปจากใจเราเพราะว่ามันจะรอสมผลขั้นที่สองระยะที่สองคือหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจอยู่ตามพังไม่มีร่างกายอยู่เป็นดวงวิญ ญ, ญาณ อันนั้นนะบุญกับบาปก็จะเป็นผู้ที่จะมาส่งผลให้กับใจขึ้นอยู่กับว่าฝายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลก่อนทําให้เรามีความสุขใจอยู่ในในภพของสวรรค์แต่ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปจะส่งผลก่อนบาป ก, ก็จะทําให้เรามีความทุกข์ใจในรูปแบบต่างๆ ทุกแบบหิวโหยก็เป็นเปรตทุกแบบหวาดกลัวก็เป็นอสุรกายทุกแบบเทียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของเราทุกคนเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วบุญกระบาป ท, ที่เราสาาราะสมไว้ี่มันเป็นเหมนบัญชีสองบัญชีบัญชีบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้ เงินฝากเราก็สามารถเบิกเอาไปใช้ได้ไปช่วยความสุขได้เงินกู้เราก็ต้องเอามาใช้ใช้หนี้ก็เป็นความทุกข์การมีหนี้นี่เป็นความทุกข์การมีเงินฝากนี่เป็นเป็นความสุขมันใจเราขณะที่ไม่มีร่างกายก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทํานี้ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะส่งผลสมมติ มีบุญหกสิบมีบาปสี่สิบอย่างเงี้ยบุญหกสิบก็จะเดงไปแล้วก็จะไปไปไปสวยบุญก็สรยบุญบุญที่เราสะาสมไว้แล้วก็จากหกสิบก็จะค่อยๆลดลงมาจนมาระดับที่สี่สิบมาเท่ากับบาปเพราะนั้นบุญก็ไม่สามารถส่งไปที่สวรรค์ได้นะ แต่บาปก็ยังไม่สามารถดึงเราไปอาบายน่าเพราะมันยังไม่บุญเก่าบุญที่ยังนดอยู่ในระดับ40ค้านกันไว้อยู่ค้านกันไว้อยู่บุญ40บาป40ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครั้งที่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่บัญชีสองบัญชีนี่มันจะเท่ากันไงบาลานซ์เท่ากันบัญชีเงินกู้บัญชีเงินฝากนี่มันจะเท่ากันไม่กำไรไม่ขาดทุน ก็เป็นช่วงที่เราจะได้มารอรับร่างกายใหม่ก็ เ, เกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอรับร่างกายใหม่ถ้าเราลงมาจากข้างบนลงมาจากสวรรค์อันนี้สงของบนที่ยังมั่งคั่งอยู่นี้มันจะทําให้เร า, าเกิดที่ในฐานะที่ดีกว่าเดิมครับเพื่อนอันนี้มีความมาั่งคั่งมากกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิม มีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมอะไรทำนองนี้ที่เรียกเป็นพวกว่าเกาเรียกว่ามีวาสนาบารมีคนที่ลงมาจากที่สูงอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะพระวิสันดร์แล้ตายไปท่านก็ไปสวรรค์แล้วพอท่านลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไทยก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะว่าเป็นอ น, นิสงส์ของฐานที่ได้ทําท่านได้ทำให้ทํำให้ท่านมีเงินสะสมในธนาคารบุญมาก อ า, าเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยมีเงินทาาองมารอรับมาต้อนรับท่านอย่านี้มาเกิดเป็นลูกของคนรวยเป็นต้นแต่ต้องของพูดก่อนว่าเรื่องของกรรมนี้ไม่ใช่เป็นเหตุอันใดที่ทำให้เรามาเกิดดีด้ชั่วสูงด้วยต่ำรวยด้วยจนมันนำีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้ว ย, ว ย, ย, ยที่เราไม่สามารถที่จะไปเอาไปอามาริบาลิได้ม เปนจะให้รู้ว่านอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของบุญของบาปของเราที่เราทาไว้มันก็มีส่วนที่ทําให้การมาเกิดของเราในภพหน้าชาติในละมันดีกว่านี่คือบุญหรือบาปส่วนพวกที่พวกที่ทําบาปสมมติ ว, ว่าทำบาปหกสิบแล้วบุญสี่สิบบุญบาปหกสิบก็จะหนึ่งไปเกิดในอาบายช่องใดช่องหนึ่งเป็นเปรย์บ้าง เ, เ, เ, เป็นสุรกายบา้างไปนรกบา้าง เรื่องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วก็จะใช้บาปไปจนกว่าบาปจะลดลงมาเท่ากับบุญสี่สิบสุดสี่สิบก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็หนึ่งแต่จะมาเกิดแบบมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนาด้อด้ยวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเปียกเปียนอาการไม่ครบสามสิบสองยากจนอะไรทำเราเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้สมมตจากการที่เราไปทําบาปแล้วเรากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเกิดเป็อาภาพวาสนาแล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุ้น์ใหม่เราก็จะมาทําบุญทําบาปตามตามแบบชาติกอนชาติก่อนเราเคยทําบุญหกสิบสี่สิบทำบาปสี่สิบชาตินี้เราก็จะกลับมาทําบุญหกสิบสี่สิบใหม่ พวกที่ทำบาปก็แบบเดียวกันไปทำบาปหกสิบทำบุญสี่สิบก็จะกลับมาทำบาปมากกว่าทำบุญจนกว่าจะมีใครมาสั่งสอนหะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งให้ไปใทงใดทางหนึ่งเช่นพระพุเจ้าเามาเกิดในสาส น, นาพุทธนในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธเขาพ่อแม่เราก็จะดึงเราไปทำบุญทำทานกับพ่อแม่อยู่เรื่อย แต่ถ้าเราไปเกีิดกับในครอบครัวที่ไม่ใช่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาเป็นชอบครัวที่ชอบเสพสบายมุกชอบนั่นกายปัญนชอบทำบาปทำอาชีพมิจฉาชีพต่างๆเขาก็จะมีผลอิทธิพลต่อการกระทำของเราเอาไว้อกอย่างนึงเราไปทำสิ่งเหล่านี้พอเราเกิดใหม่เราก็จะมาทำบุญทำบาปใหม่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่จะมีผน ผลต่อการทําบุญทําบาปของเราอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นิสัยของเราแังว่าเรานิสัยสะสมนิสัยบาปนิสัยบุญมากน้อยเพียงไรถ้าสะสมนิสัยบุญมากเมื่อบาปมากพอที่สิ่งว่าน้าก็ไม่สามารถที่จะมาเราดึนออกไปได้เช่รเราเคยทําบุญมาตลอดไม่เคยเสพอ บ, บายามุขไม่เคยทําบาปหมือทาน้อยมากเนี่เวลามันเกิดให้ครอบครัวที่เขาทําบาป เขาเสียไปมุกแต่เราก็ไม่ทําตามเขาก็ได้เช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเจอในครอบครัวที่ถ้าเราทําบาปนั้นมันเกิดในครอบครัวที่เขาทำบุญเนี่เราก็มักจะเป็นแพะแกะดังพราะแม่ชวนไปทําบาตรทำบุญก็ไม่ไปชอบไปเล่นการพนันชอบไปเหนื่อยสราหรือทำอะไรต่างๆอันนี้เพราะนิสัยเดิมมันฝังลึกป็นสันดานถ้าเป็นสันดาณแล้วมันก็จะ เป็นตัวเป็นตันตผักดันให้ไปในที่ทําที่เคยเป็นอยู่เราก็ต้อ ม, มาแก้สายสัญญาของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตอนนี้เรายังยาแบบลูกผีลูกคนอยู่บางทีก็เป็นผีบางทีก็เป็นคนอยู่เราก็นํา ม, มาปรับให้เป็นเป็นคนเป็นพระกันมาด้วยการศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้า สามข้อเนี่้พระเจ้าส่งสอนให้เรามาปรับนิสัยสันดานของเราคือละกายการทำบาปทั้งปวงถ้าเราเคยทำบาปเคยเสียมาวันวนี้เรากล้ายแล้วนะถ้าอยากอยากจะปรับปรุงนิสยัยของเราอยากให้เราทําแต่ความดีทําแต่บุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงเพราะ้อมข้อที่สามก็ให้เราเหมือนซักพ่อใจเรากําจัดความโลกกฎลงให้มันหมดไปตามลำดับของการปฏิบัติของเรา อันนี้เป็นการซักฟ้องนิสัยเป็นนิสัยใหม่จากนิสัยที่ไม่ดีให้มันเป็นนิสัยที่ดีจากผีให้มาเป็นพระพวงไงอันนี้ส่ยนใหเป็นพระโสดามันพระสะกิดการพระนาคามีนักพระหลานตามมาอันนี้เนี่ยเป็นการทําครามทํากรรมดีละการกับทากรรมไม่ดีละการกับทาบาปทําแต่บุญแล้วก็ซั้าฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีาศาสนาพุทธก็จะมีคําสอนอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มาเกิดในยุคที่มีาศาสนาพุทธก็จะไม่มีใครสอนพวกเราก็จะต้องคําทางกันไปเองตามนิสัยจัดานเกอเราอาจารย์ครับเคยอ่านของสมเด็จท่านสมเด็จญาณ น, นะครับที่ท่านบอกว่าเหมือนกับทําบุญกับทําบาเหมือนแข่งรถกัน ใช่ไหมครับถ้าทําบาปมาเยอะๆเราก็ทําบุญให้มันเยอะกว่าให้แซงไปลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ <c oughs> อย่างนั้นนะว่าเป็นแบบเกวียนเนี่ยเกวียนมีมีมีมมวัวหนึงเกวียนไปด้านหน้ากัด้านหลังตัวหนึ่งหนึ่ไปด้านหน้าตัวหนึ่งหนึง่นนง้านหลังแล้ขึ้นอยูอย่ว่าตัวไหนมีกําลังมากกว่ากันครับ <c oughs> ถ้าตัวที่มีกําลังเด็กแม่ข้างหน้ามีกําลังมากกว่าเกวียนก็ต้องไปตามตามกาลังของตัวที่มีกําลังมากกว่า ก็พยายามทำบุญหรืกรรมเนี่ยของเราถ้ามมีกำลังไปในทางบุญให้มากกว่าไปในทางบาปแต่บาปก็ยังไม่หายก็ยังไม่อยู่น่าจะส่งผลต่อเมื่อบาปมีกำลังมากกว่าบุญบถ้าบุญมันมีมากกว่าบาปหรือทุกภบทุกชาติบาปก็ยังไม่สามารถเดินมาไปเกิดในาบายได้คกับพระพระุพะทธเจ้าท่ย์ครับ พระอาจารย์ครับแล้วส่วนร่างกายนี้เป็นไตรักไปเลยนะครับ <c oughs> คือไม่แน่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของของร่างกายที่เป็นไตรักหมดไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายาทุกสิ่งทุกอยากเป็นสังขารคือเกิดจากการปรุงแต่งของผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ธาตุห้าาตทั 5, ท้งธาธาตุดิน 5, น 4, ้ำลงไปปรุงแต่งให้ร่างกายับต้นไม้อะไรต่างๆนี่พอปรุงแั้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกัน จะ ล, า, ลาเดียวแล้ก็เสื่อมทุกอย่างในโลกของร่างกายเป็นตายล่ามลไม่ว่าจะเป็นลาบยศสัน่นเสื่อรูปเสียงกินนั่นก็เป็นตายลนะับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่นิ่งรูปที่เราเห็นกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยัอนนี้เราเห็นรูปอย่างนี้เดี๋ยวสักพักเราก็ไปมองเห็นรูปอีกอย่างพอเห็นรูปอีกอย่างอารมณ์ที่เราได้จากรูปแบบ น, นี้ก็เปลี่ยนไป มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนไปเกิดดับกระดับไปเรื่อยๆถ้าเราไปยึดไปติดมันเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราเศร้าที่เวลามันจาดออกไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปยึดปฏิดกับอะไรในโลกนี้สังขารนะท่านบอกว่าสังขารเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการละวางสังขารได้เป็นเป็นสุขอย่างยิ่งุปสมาสุขโกสังขารนี้หมายถึง สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แต่เฉพา ะ, mm. ะาร่างกายคันห้านี่ก็เป็นสังขารทั้งหมดเวทนาทาั้งนสังขารก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นเครื่องปูุงแต่งแล้นะภายอะนัสบสน ร, รูปเสียงกลิ่นแล้วก็เป็นก็เป็นสังขารมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันมีตัวตวนไม่มีน ใ, นใครเป็นเจ้าของครับผม กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆนะครับพระอาจารย์ครับ <c oughs> คุณแว่นครับบอกว่านิโรธสมาบัติกับนิพพานมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับนิโรธสมาบัติก็คือการทําให้จิตยิ่งสงบแต่ไม่ได้กําจัด ก, กิเลสเพียงแต่หยุดกิเลสไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสติกดเอาไว้มันหินทับยากเวลาเราเห็นไม่ทับยากยากก็ร้องไหยเป็นแบบไม่ได้ พอเรายกก้อนหินออกมาปล่อยให้มันได้สัมพันกับน้ํากับาดดระยะหนึนนน่งเอกหญยามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่ารากที่มันอยู่ในดินมันไม่ตายถ้าเราอยากจะให้ยญ้าตายอย่างทาวรเราก็ต้องใช้ขุดรากมันขึ้นมาเช่นเดียวกิกเลสถ้าเราอยากให้กิเลสนี้หมดสิ้นไปอยากใจเราก็ต้องใช้ปัญญาขุดรากของกิเลสคือโมอัวความหลง ปัญญายจะสอนให้เราเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์แล้วเราอยู่ในโลกของทุกข์กัะอันนี้อันนี้จังทุกข์ของอนัตาเราไม่ได้อยู่ในรลกของสุขครั้งนิจังสุขขังอนัตตาตามที่อวิชชาและมุภาพมองเห็นกันเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งทุอย่างใันเราเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ พอไม่มีความอย่างของเะไรใใจใจก็จะสะบงบเป็นนิโรธแบบนิพพานไปนิโรธแบบเย่อหยิ่ทุกข์ที่เกิดจากทารุาความอยากถูกปัญญาควาจัดด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกรารมาพบรื่อพบเรื่อพบเรื่องนี่มันเป็นเป็นทุกข์เถอะเพราะมันเป็นของชั่วข่าวอาจารย์ครับแต่ว่าสภาวะ ความรู้สึกตอนอยู่ในโลกสมาบัติกับนิพพานนี่คือความรู้สึกเดียวกันใช่ไหมครับเดียวกันครับเป็นแต่ลมผสมดาในโลกสมาบัติมันชั่วข้าวอยู่ได้ระยะไหยมันก็ต้องถอดออมาอันนิพพานนี่ไม่ต้องเข้าในโลกสมาบัติอยู่ในจิตในภาวะปกตินี่แต่ไม่มีกิเลสก็ออทําให้เจนในสมองเหมือนเข้าฌานเข้าไปในนิโรสมาบัติโดยที่ไม่น่าเข้าไปในนิโรสมาบัติไม่มีทุกขนะ์ไง คุณสัรักถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการคันครับเราต้องทําอย่างไรครับถ้าเราต้องการให้จิตน่งให้สงบเราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างเพราะถ้าเราไปยุ่งกับมันจิตเราก็จะติดพันอยู่กับสิ่งที่เราไปยุ่งเกี่ยวด้วยมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้ยังเรานั่งสมาธิเพื่อให้จิตนวลเป็นสมาธิ น, นี่เราต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ว่ า, าจะปรากฏขึ้นเมื่อไไม่ให้ไปสนใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้ไปเล่นกับมัน ให้เรามาผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เป็นอารมณ์กอมใจของเราถ้าเราใช้พุโทโธก็พุทอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่างเดียวไม่สนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดปล่อยมันคายก็ต้องปล่อยมันนะที่ก็อย า, ากจะเกินเท่าไหรก็ไม่ตทำเกินคือปล่อยร่างกา ย, ยอย่าไม่ยุ่เกี่ยวกับร่างกายเพราะเราเริ่ต้นภาวนาเราเราจะใหอยู่กับจิตเพียงอย่างเดียว ด้วยการใช้กรรมฐานเป็นตัวยึดเหนี่ยวไว้แม่้จิตไปยุ่ง อ, งอะไรทั้งหมดจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คุณสกัญญาถามว่าปวดฟันครับจะแยกกายกับจิตได้อย่างไรครับเอา้านั่งกายฟันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนจิตคือผู้ที่ไปทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเจ็บปวดของร่างกาย ส่วนนี้ไม่เราสามารถที่จะไม่ทุกได้ถ้าเรารู้ใส่ของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของใจไม่อยากความอยากให้ความเจ็บของทางคฝันหายไปอพออยากปุ๊บความทุกข์ทรมานใจก็คือผุเป็น ม, มาทันทีถ้าเรายอมรับว่าเราห้าวความเจ็บปวดทั้งร่างกายไม่ได้เราก็ทําใจให้เฉยๆให้ไใจเราก็จะไม่ทุก ก็จะไม่ทรามานไว้ให้น่ากายจิตไปเพียงส่วนเดียวคุณดำครับบอกว่าทำไมอหิงสากะหรือองคุริมาทำกรรมไว้มากมายถึงมิพานได้ครับเพราะท่านชำระ ก, กิเลสได้หมดไปจากใจด้วยใน อ, ยอำนาจของพระเจ้าส่งสอนให้มาฆ่ากิเลสแทนที่จะไปฆ่าคนฆ่าคนไม่ได้ทาให้บรรลุธรรมพเจ้าหรอก ตองฆ่ากิเลสฆ่าคอามโลภโกรธให้หมดสิ้นไปจากใจองคุลิมาก็เลยกลับมากาจัดด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาตายรงอันนี้อริยสัจสก็สามารถที่จะกําจัดกิเลสตถาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ จ, จิตใจพอไม่มีกิเลสตถาลงลในใจใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาคุณสตรองครับ ว่าพระอาจารย์ท่านท่านมีปัญญาทั้งทั้งพุทธแก้ปัญหาความทุกข์และทางวิทยาศาสตร์ครับอยากทราบว่าพระอาจารย์ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาของตนเองจากคาสอนเรื่องใดที่ทําให้ท่านสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ครับเรื่องที่เกี่ยวกัรบร่างกายก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์นีะแล้วกดูอาการของร่างกายแว่าจะต้องแก้ไขยังไงเหตุอะไรทำให้มันเกิดความไม่สบายขึ้นมาบางทีนอนไม่พอ แล้วก็อาจาจะวันจะภักผ่อนก็ไปติดเชื้อมันก็อาจจะเป็นไข้หวัดขึ้นมาได้น่ายเลยถ้าราไม่อยากาติดเชื่อแล้วก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพให้เราแข็งแรงนอนให้พอพักผ่อนให้พอแล้วก็พยายามอยู่ห่างบุคคลที่อาจจะจะเป็นเชื่อให้กับเราได้อันนี้ก็ไม่น่าคนทักวิทยาศาสตร์อย่างที่ที่หมอสอนอ่ะห้ายอห้าอแล้วนอารมณ์มหาหนาการ อนุโมหะนาการแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็อุราระการขับท่ายห้าอย่างนี้ต้องให้มันเป็นเป็นเป็นทางที่ดีแล้วล่างไปก็จะเป็นสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเราทำทั้งห้าอย่างแล้วแล้ยังยังเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาแล้วใจเราทุกข์อันนี้จะต้องใช้ใช้คําสอนใช้ของศาสนาแล้วว่าใจเราทุกข์เพราะอะไร ทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยอพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้เพราะเรื่องของร่างกายนี้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมค่ของเราเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะทำดีขนาดไหนและด้านสลับร่างกายโอกาสที่จะงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโอกาสที่จะตายก็ยังมีอยู่เนกันอาจจะน้อยลงหน่อยเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยลงกว่าถ้าเราปล่อยให้ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อเลยไม่ดูแลรักษาร่างกายให้ดี แต่ในที่สุดก็ต้องเจ็ดต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องทําใจให้ได้ถ้าเราทําใจยอมรับให้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายคนบ้ามีอวิชชาจะมีโอกาสพ้นจากความทุกข์ได้ไหมครับก็ต้องมีสติต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้เพราะคนบ้าก็คือคนไม่มีสตินั่นเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่สามารถควบคุมความคิดฉุนโถนได้ คิดอะไรยกจะทําอะไรก็ทําไปพูดอะไรก็ออกมาพ่าไม่มีเบรกถ้าเป็นรถยนต์ก็หมายรถที่ไม่มีเบรกรถเบรกแต่ก้ปดูดนะิถ้าปล่อยรถเบรกแตกไม่งี้ยจะเป็นยังเดี๋ยวก็ต้องไปไงงนชนกับรถคันนั้นกันนี้ใจก็ใจที่ไม่มีสติก็แบบเดียวกันะเป็นใจที่ไม่ไม่อยู่ในกรอบของความดีงามความถูกต้องของของคนที่มีสติ เขาเลยมักจะต้องแยกคนที่ไม่มีสติออกจากสังคมไปไม่ง้ก็จะมาสร้างความเสียหายเด็ดขาดกับผู้นั้นแต่จะให้เขาหายก็ต้องใช้การฟื้นฟูสติเขาหากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้สติให้เขาทาเช่นอ่านหนังสือสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรทำนองนี้มันก็จะทําให้เขาต้องมีการใช้สติในการทําสิ่งเหล่านี้ แล้วเขาจะพาค่อยื้นฝึกสติของเขาเพื่อให้แรงแค่น้อยนี่คือวิธีการที่เขาก็มาใช้กับเด็กที่เป็นเด็กอันนั้นเด็กพิเศษเด็กที่มีปัญหาทางทางปัญญาเนี่ยท า, ทางสติปัญญาเขาก็หากิจกรรมให้เด็กทําำบางทีก็าพาเด็กไปขี่ม้าเองการขี่ม้าก็เป็นการฝึกสติไในตัวครับแล้วเขาว่าดีขึ้นเยอะด้วยนะครับอาจารย์ขี่ม้าเนี่ยครับ เด็กที่ไปได้รับการอบรมจากโรงเรียนพิเศษเนี่ยพัฒนาการก่อขึ้นจากจิตที่วุ่นวายไม่ค่อยสง บ, บไม่นิ่งไม่อยู่ในกรอบกลายเป็นจเจตีนิ่มอยู่ในกรอบขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นพอได้รู้จักโรงเรียนสอนเด็กพิเศษเขาเขาก็พามามาเมืองกาบอยู่ด้วยนะครับ คุณพัชรวัตรครับลูกขอกลับเรียนถามหลวงพ่อครับกฎแห่งกรรมสามารถเกิดขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ไหมครับและถ้าเกิดลูกต้องใช้สติ ด, ดักไว้ก่อนใช่ไหมครับคืออันนี้พระเจ้าบอกว่ามันเรื่องกรรมนีอย่าไปคาดกัรนอย่าไปาไป analyze ไปอะไรมันเลยเพราะว่ามันเป็นอาินตยสหรับคนุตุชนญาติพวกเรา มันหตายเห็นหลายปัจจัยด้วยกันมันจะเป็นกรรมเก่าที่เราทํามาในอดีตมันตามมาทันในภพนี้ก็ได้ส่วนกรรมที่เราทําวันนี้มันก็เหมือนปลูกข้าวปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลก็ได้บางทีเราไม่รู้ว่าเป็นกรรมมันเป็นวิบากกรรมของอันไหนกันเราเองอาจจะมาว่าบุญวิบากกรรมจากจากจากที่ทําทำในภพนี้แต่จะเป็นจริงหรือไม่เราก็ไม่รู้เอง ยังการทำที่ดีก็ไม่ต้องไปกังวลนะขอให้รู้อย่างเดียวว่าทำบาป ท, ทำบุญต้องมีวิบากตรรมตามมาจะช้าหรือจะเร็วนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของของเขาไปก็แล้วกันลูกสาวไม่สบายมากครับอยากจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแทนลูกสาวทำยังไงได้ครับถึงเจ้ากรรมนายเวรลูกสาวจะให้มันรับได้ครับคือมันไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะมันเกี่ยวกับกรรม กรรมที่เราทำซึ่งมันไม่ใช่เป็นบุคคลมันเป็นพฤติกรรมของเราเองที่มันอาจจะส่งผลส่งเป็นวิบากกรรมขึ้นมามนไม่มีทางที่เราจะไปทําบุญแล้วอุทิศให้แต่คนวัดคนคนส่วนใหญ่ก็เชื่ออย่างนั้นว่าถ้าสามารถทำบุญ ล, ล้วอุทิศบุญให้กับเจ้า ก, ากรรมนายเวรแล้วอ่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับกับตอนก็จะหายไป อยนี้อาตมาตอนนี้ก็มีหมออยู่ท่านานึงท่านทำว่าพ่าตัดให้กำเด็กเ น, นทุกครั้งที่ท่านผ่าตัดท่านต้องทำบุญอาตมาก่อนบอกเขาทำบุญที่ท้ายของเจ้ากรรมานวงเด็กคนนี้เขาบารมีอันนี้อาจจะเป็นธรรมเชื่ออาจจะเป็นทําให้ความสบายใจกับคนเคกับครูประทังก็ได้แต่ถ้ามันถึงเวลาจะตายต่อให้ทําบุญขนาด น, นี้มันก็มันไม่รอด ไม่แต่ผู้ใจเองน ไ, ไม่นอนเลยจากความตายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็บางคนก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำไปนักก็เกิดผลตามที่เขาคิดก็เลยทำให้เขาคิดว่าเป็นเหตเป็นผลขึ้นมาก็ได้ชอบปฏิบัติครับแต่ก็ชอบดื่มอาทิตย์ละครั้งรู้ตัวเองว่าไม่ควรแต่ห้ามใจไม่ได้ครับเพราะรู้สึกสบายอย่างนี้ควรจะแก้อย่างไรครับ ก็กทำแรกเท่านั้นจะทำยังไงได้ yeah. <laughs> รัวคําบริกรรมพุทโธแล้วจนแนบแน่นรู้สึกปวดหัวเป็นเพราะอะไรครับข้า จ, จะทำเกินเหตุก็ได้อย่าไปรัวมันบ้าเกินไปเอาแบบสบายสบายเพื่อให้ใจเราไม่ไปกินเรื่องนั้นเ น, น, นี้ก็พอทํามากมันก็ทําทให้เกิดอาการเคขึ้นมาได้ทำเกินเกินกําลัง ถามพระอาจารย์ว่าทำไมคนเราทุกวันนี้หาน้อยมากที่จะพยายามตัดกิเลสครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่อนทั้งโลกความเจริญทางด้านวัตถุคือการเจริญทางทางกิเลสนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ทางผ่านตาหจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นการ เป็นการกระตุ้นกิเลสดังนั้นรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินอะไรต่างตางเหล่านี้มันก็เลยทำให้จิตใจของเราเอนไปตามกิเลสเพราะมันสามารถทำได้ง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยที่ไม่มีความเจริญทางด้านวัตถุทางรูปเสียงกลิ่นไม่เคยมีอะไรมากระตุน้นมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะดึงไปทางกิเลส นอนทําสมาธิได้ไหมครับมันจะหลับนั้นนาที่ถ้านอนแล้วถ้าทำแล้วไม่หลับก็ทําก็ก็ก็ใช้ได้ป้าหมายคือมาทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบไม่ต้องตื่นนะไม่ใช่ทําให้มันสงบแล้วหลับถ้าทำมาให้สงบแล้วหลับมันก็ไม่ได้เกิดปรนะโยชน์มันไม่เป็นสมาธิถ้ายากจะได้สมาธิก็ต้องทนะํานไหนในท่าที่มันไม่หลับถ้านั่งนี่นั่งขัดสมาธินี่มันก็จะเป็นท่าที่ ทำให้เราย่หลับยากถ้าเคยทำกรรมที่ไม่ดีในชาตินี้แล้วรู้สึกผิดถ้าหมั่นทำบุญทำดีจเจริญสติจเจริญสมาธิจะชดเชยกรรมให้เบาลงในชาตินี้ได้ไหมครับไม่ชดเชยหรอกเพงแต่ว่ามันมันทำให้ชะลอตัวโอกาสแสดงผลเพราะกำลังของบาป<อ> ม, มันม่น้อยกว่าบุญ ถานาที่บุญมีมากกว่า บ, บาปมือก็จะเป็นผูแ้แสดงผลก่อนแต่เมื่อหลายเวลาที่บุญน้อยกว่ บ, บาปเวลาะนั้นบาปก็จะแสดงผลง่ายเวลาที่ไปงานศพจะชอบนึกภาพตัวเองเป็นนอนในโลงแล้วใจเราจะสลดสังเวชก็จะระลึกถึงคุณค่าของการเจริญสติพยายามคิดว่าเราตายทุกวันพอรู้ตัวใจจะบอกให้พุโทโธพุธโทโธแบบนี้ถือว่าได้ภาวนาไหมครับ ก็ได้นะถ้าได้มีการเจริสติก็ถือว่าเป็นการภาวนาแต่จะภาวนามันก็มีหลายระดับระดับต้นระดับการระดับปลายระดับที่เวลาการทําร้อยก็ได้ได้น้อยถ้าทำมากก็ได้มากคุยกับคนที่มีแฟนแล้วผิดสีนไหมครับ ไม่หรอกเพราะว่าเสียงท่อนนี้ก็้มาเป็นการไปร่วมเพศกันถึงจะผิดเสียงแต่ก็ห้ามไม่ให้ไปทำไปยุก่งเกี่ยวสารในภรรยาพูดรือว่าจะคุยกันก็ไม่ควรเพราะมันเป็นการจุดจุดชนวนทําให้มันลามปาไปไปในที่สุดก็อาจจะไปถึงขั้นร่วมเพศกันก็ได้ดวยกเว้นว่าท่ามีครับจําเป็นทํางานร่วมกันหรืออะไรพูดเรื่องงานเรื่องการอะไรก็รับแต่ไม่ให้ไปพูดในทานองเกี่ยวพาราศีนั้น กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีที่เราทำตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำถูกต้องไม่ครับอาจารย์ต้องตั้งใจทำถึงจะเป็นกรรมขึ้นมาถ้าไม่ตั้งใจทำเนี่ยถือว่าเป็นเหตุเรื่ เ, เหตุสุดวิสัยเช่นขาบรถไปแล้วชนนักตัดหน้าแล้วก็ชนช น, นนักตายอันนี้ไม่เป็นกรรมไม่เป็นบาปเพราะเราไม่มีความตั้งใจที่จะไปทาก็เป็นบัติาที่ มองเป็นกรรมของเขาได้ไหมครับอาจารย์กรรมเขาต้องมาโดนตรง น, นี้พอดีก็เป็นเรื่องีใจกไ็ได้ครับชีวิตของเราก็ถึงวาระเท็จจะต้องสร็จสุดลงถ้ามองในแง่ดีก็จะคิดว่าเขาคงจะหมดกรรมแล้วจะได้ไเกิดเป็นมนุษยต่อไปก็ได้ดิฉันเลี้ยงแมวแต่แมวป่วยใช้เงินรักษาหมดไปจำนวนมากถ้าวันหนึ่งแมวป่วยอีกแล้วเราไม่มีเงินรักษาเขาแล้ว เราก็ทุกใจมากกับอาการป่วยของเขาแต่เราไม่มีเงินรักษาเราควรทำอย่างไรครับก็ทำใจเั้นะทำใจเป็นเบเกอรว่ามันสุดวิสัยของเราที่ทำาไรให้เขาเขาได้แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเขาแล้วกันเมื่อสิ่งที่คิดไม่เป็นไปตามหวังจะต้องจัดการใจอย่างไรครับก็ อ, อย่าไปหวังต่อไปเลย สอนใจวันนี้ภา ว, วังอะไรแนละ้วไม่แน่าตามที่หวังก็จะเสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจต่อไปนั้นก็อย่าไปหวังอะไรให้ยิ่งดีตามมีตามเกิดที่เรีว่าสันโดษผลกรรมเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเกิดจากอะไรครับก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอนะไรนี่ไม่มี เขาก็มีมีเห็นมีโพลที่เขาเป็นแต่ว่าเราไม่สามารถจะไปรุกลึกถึงในขั้นนั้นได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างพระอาจารย์ครับทุกครั้งที่เริ่มสวดมนต์จะหาวตลอดเวลาอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรกระตุ้นเลยการสวดมนต์นี้มันเป็นอารมที่จะทําให้เป็นการอารมกลางๆไม่ได้มากระตุ้นให้เรามีความ ความยินดีอะไรทำรนองนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึก่วงนอนขึ้นมาได้ปัจจุบันรู้ว่าใจที่กระเพื่อมไม่ควรยึดแต่แพ้บ่อยครับผาดกันแพ้ผัดกันชนะควรทําอย่างไรให้ใจมีความเข้มแข็งขึ้นครับต้องฝึกสติให้มากขึ้นพยายามบริกรรมพุทโธให้มากขึ้นในระหว่างวันหรืใช้น่างกายเฝ้าดู ก, การเคลื่อนไหวของร่าง ก, ก, ก, กายทุกทีที่อาบ ใ ห, ททรหรให้มีสติอยู่กับพุทโธแล้วให้มีสติอยู่กับการกระทํำของร่างกายแล้วเราก็จะมีสติมากจะสามารถคอยควบคุมมาลองได้ดีขึ้นจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าอธิษฐานขอบรรลุธรรมในภพสวรรค์ไม่ขอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับคือขอไม่ได้หรอกนอกจากทำเทนั้น ถ้าเราปฏิบัติในสวรรค์ได้ล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกนได้ผู้เทวดาที่เขาเป็นพวกที่สนใจทําว่าเขาก็มักจะไปรอจังหวะที่มีพระอรหานในพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้กับเทวดาคนนี้ก็คอยมาฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัตินั้นก็สามารถบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใดก็ได้อาจารย์ครับจริงไหมครับที่บอกว่าเทวดา ไม่มีทุกข์จนไม่อยากปฏิบัติธรรมยังไงครับอาจารย์เขามีแต่ความสุขเขาก็เลยไม่สนใจเป็นคือมันก็มีทุกข์บ้างแต่มันน้อยมาก เ, าเทียบเท่ากับความสุขคือมันมันทุกตอนที่มันตกจากสวรรค์ลงมามันทุกข์พอบุญหมความสุขหมดแล้วมันก็สัมผัสความรสึกแล้วตอนที่บุญหมดนะตอนมันเกิดเป็นั้นรุ่งไหล น, นะก็เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราไปเที่ยวเราจะไปคิดทํางานไม่ทํางานเราไปเที่ยวกัน อยากจะร้อยู่นั่นไปเอามนี้อะไรต่าง ๆ, ๆพอเงินหมดแลมันก็เริ่มทุกข์ก็เลยไม่เหนื่อี่เราบินกลับบ้านนะกลับมาทํางานห า, หาเงินใหม่คือมันกมม็มีมีมีความสุขมากกว่าความทุกข์คือมันไม่ต้องมันไม่ต้องทํางานนะครับแต่ถ้าพวกเทวดาที่เขาอยากจะบรรลุธรรมนี่พอเขาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเจ้าพระเจ้ามาสอนให้พิจารณาอาสุภาะิตอะไรเนี้ยก็ต้องทํางา น, นสิ ถ้ทา ท, ทำตามที่พระเจ้าสอนได้ครับก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นอย่ากโสดาบันก็ไปเป็นไปเป็นอนาคามีไปเป็นพระอารหาันต์ตามระดับต่อไปได้การนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องกําหนดพุโทโธไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งแต่เราสามารถกําหนดวิธีอย่างอื่นได้แต่ต้อ ง, ต, องต้องมีอะไรให้เรากําหนดต้องมีอะไรผูกใจไว้ อย่านั่งเฉยๆนั่งใจจะลอยใจจะไม่นิ่งใจจะคิดมากต้องเํามีอะไรหยุดความคิดใช้ลหมหายใจก็ได้ใช้บริกรรมพุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้หรือบริกรรมคำอื่นก็ได้บางแห่งก็สอนสัมบาระหังก็ได้บางแห่งก็สอนพุโทโธธรมโมสังโฆก็ได้นะแต่อันนี้เราเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจเข้าสู่ความสงบซึ่งไปศึกษาดูในใน ในหลังสือเดินในพระคัมภี้ด้วยค้นหาใน Google ก็ได้กรรมาฐาน40มันก็จะบอกขึ้นมากรรมาฐานชนิดต่างๆที่เราสามารถเลือกออกมาใช้กับกับใจให้นิ่งให้สงบได้มีแผนจะผ่าตัดไทรอยอีก 7-8 เดือนครับตอนนี้นอนไม่หลับหลับไปได้ 3-4 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วก็นอนไม่หลับทำสมาธิก่อนนอนแล้วครับจะต้องทำอย่างไรต่อครับ ก็ต้องใช้สติเนยเวลานอนพยายามอยากปล่อยให้ใจคิดที่มันนอนไม่หลับเพราใจคิดมากก็ต้องมีสติคอยนำกับให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจไปไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงที่นั่งสมาธิช่วงที่นอนก็ยังมีครับมีสติคอยควบคุมใจต่อไปด้วยนลังสมาธิเสร็จเวลานอนก็ยังมีสติดูลมหรือสติพุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบได้พอเลิเรื่องราวต่างๆที่คิดไป ได้มันก็มันก็หลับได้ทุกคนกลัวความตายแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของการตายเป็นตัวเร่งอยากให้เราต้องรีบทำความดีให้มากและคิดว่าการตายคือการเริ่มต้นเดินทางใหม่ได้ไหมครับอาจารย์คือขึ้นอยู่กว่าเราต้องการที่จะใช้การระลึกถึามตายเพื่อประโยชน์อย่างไรถ้าเราต้องการกระตุ้นต่ำความเพียนการระลกถึงความตายก็ก็เป็นประโยชน์ ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไปราลึกถึงเรื่องอย่างอื่นนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่ามันเป็นไปเป็นความจริงหรือไม่เพื่อเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสิ่งที่มันหลอกเราช่วยกะตุ้นให้เราอะไรนะเป็การต้นการเดินทางใหม่อันนี้มันก็การเดินทางใหม่มันก็ไม่ดีเพราะมันก็เป็นทางเก่าอยู่ดีทำ <laughs> ไปเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ดีชูวยช่วยช่วก็กระตุ้นให้ไม่มีการเดินทางจะดีกว่า ก็หยุดเกิดอันนี้เป้าหมายของการการกา ร, าการมาเกิดของเราก็คือการมาหยุดการเกิดนี้เนการหยุดการเดินทางสิทธิล้วเดินทางวนานงันอาทแล้วแล้วพบชานไม่ทัว่วล่ะน้ำตาที่เราหลั่งมากกว่าน้ำน้ำตาสมุรเราควรจะหยุดการเดินทางได้แล้วทางการนี่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำความเพียรปฏิบัติศีลสมาี่ปัญญาขึ้นมา ถ้าใส่บาทแล้วนําเงินใส่รวมด้วยเพื่อให้พระสงฆ์สามารถนําเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นใช้เดินทางหรือไปโรงพยาบาลและลรักษาอาการอาภาษณอย่างนี้ผิดไหมครับวิธีการมันผิดเนคือถ้าไม่ให้ถวายเงินกับพระไม่ให้พระรับเงินนอกทองโดยตรงให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ถ้าท่านไม่มีลกูกศิษย์ตามมาก็เอาเงินฝากไว้กับลูกศิษย์แล้วก็บอกพระว่าฝากเงินไว้กับลูกศิษย์นั้นนะ ครับท่านนี้เลยเขียนใบกระดาษไว้แจ้งใท่านทราบท่านได้รู้ว่ามีคนฝากเงินไว้กับลูกศิษย์เวลาที่ท่านต้องการใช้อะไรก็จะบอกให้ลูกศิษย์ให้ไปจัดการให้จิตมีกี่ดวงครับเคยได้ยินจิตเดิมแท้จิตนอกจิตในแตกต่างกันอย่างไรแล้วควรจะดูจิตดวงไหนครับเอาจิตมีดวงเดีย ว, วนั่นเองแต่จิตสามารถเปลี่ยนสภาพได้เวลาจิตสงบก็เป็นจิต จิตเดิมใช่ไแล้วซับฟจิตใจใช่ไหมโดยสุดก็เป็นจิตจิตบริสุทธิ์ก็เป็นจิ ต, จตดวงเดียวกันนี่แหละเหมือนร่างกายอันเดียวนี่แต่เราสามารถใส่เสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวในในรูปแบบต่างๆได้อย่างคุณหมอเวลาไ ป, ไปสภาก็แต่งแบบหนึ่งเวลาเป็นหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็แต่งอีกแบบนึ่งแต่ก็เป็นร่างกายอันเดียวกันนี่แหละ เราจะวางใจและดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าเราได้รับผลกระทบต่างๆจากภาวะสงครามในตอนนี้ครับก็ให้เราคุ้นรู้ความจริงว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาเราก็หนี่ความแก่เจ็บตายไปไม่ได้อยู่ดีนไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลเพราะโจทย์โจทย์ใหญ่มาก็คือโจทย์โจทย์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่เองงั้นให้นํามาทําโจทย์นี้กันดีกว่า มันทำมาทําโจทย์นี้ทําให้เราไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็จะไม่ทุกกับอะไรต่อไปไม่ทุกกับสงฆาไม่ทุกกับภาวะแห้งแล้งอดอยากขาแคลนนี่เลยเพราะเราสามารถรับได้ในทุกรูปแบบถ้าเราสามารถรับความจริงรับความแก่ความเจ็บความตายได้เราจะสามารถรับกับความทุกข์ในในรูปแบบอื่นต่างๆได้หมดเพื่อนเราแก้ปัญหาแก้แก้โจทย์ หลัของเราดีกว่าจทำาังานให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้วันนี้ถูกรถชนครับแต่ไม่เป็นอะไรมากแยกย้ายกันไปช่วงบ่ายโดนกงเงินนี้แสดงว่าวิบากตามมาทันแล้วบุญเราลดลงหรือเปล่าครับแต่โยมก็โอโหศีกรรมแล้วชดใช้เองคิดว่าดีกว่าไปชดใช้ในอบายภูเป็นกรรมเก่าเรากรรมใหม่เขาเจ้าครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตามไม่ได้เรื่องกรรมนี้คนที่ละบสี่ห้าไม่ได้เป็นบาปมากไหมครับอ่ถ้าทําบาปมันก็ต้องไปอับายไปสวัสดีไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนไม่ได้ต้องรองไปใช้บาปให้ให้ให้หมดซะก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนไม่ทําบาปเลยเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปอับาย มันกลายเป็นมนุษย์ได้เ ล, ลูกกับพ่อแม่บางคนรักและดีต่อกันบางคนเกลียดและทำร้ายกันเกิดจากกรรมหรือสาเหตุใดครับเกิดความความรักความชังที่มีในใจของแต่ละคนเนี่ยมันฝังฝังนึกอยู่บางทีเราเห็นคนแบบนี้แล้วก็มันก็ชังขึ้นมาเห็นคนอีกแบบหนึ่งล้วก็รักขึ้นมา เราต้อจะมีปฏิญาต่อคนสามอย่างในกันไม่รักก็ชังนื้อถ้าไม่ชังก็เป็นกลางกลางเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราจะเป็นสามอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเจออะไรบางอย่างที่เราชอบแล้วก็รักขึ้นมาเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบก็ชังขึ้นมาอันนี้เจอในสิ่งที่เป็น ก, ากาลางกลางเรก็เฉยๆขึ้นมาการนั่งสมาธิ สามารถอุทิศกุศลให้พ่อแม่หรือญาติที่เสียไปแล้วได้ไหมครับเรื่องอุทิศบุญนในตมาท่า น, นสอนแต่วิธีทําบุญสายบาตรถยสังฆทานให้กับพระนั่นเองที่แสดงไว้อย่างอื่นนี่ไม่มีการสอนให้ไม่ทราบมันจะทําได้หรือไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ตอนเด็กเคยโยนแมวจากชั้นสองบ่อยๆคิดว่าแมวบินได้ ต่อมากเกิดอุบัติเหตุขาพลิกเจ็บข้อเท้าเรื้อรังถึงตอนนี้คิดเป็นกรรมคิดถึงเป็นกรรมที่ทำกับแมวปัจจุบันเป็นธาตุแมวที่โดนแมวกัดตลอดครับอาจารย์ก็คิดว่าเราทำอะไรใครก็คิดถึงว่าถ้าเราเป็นเขาบ้างจะเป็นอย่างไรแต่เขาคิดว่าเราบินได้แล้วก็จับล้อโยนจัก ถ้าซินแสบางท่านบอกว่าปีนี้ทิศเหนือเป็นทิศไม่ดีห้ามทุบเคาะเจาะหรือใดๆควรยึดตามสิ่งที่ท่านเตือนไหมครับตามกฎแห่งกรรมนี่เราไม่ได้ถือทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไรทั้งสิ้นเือการกระทําการกระทําวันไดที่เป็นโทษเป็นความเสียหายให้แก่ผู้อันนั้นเป็นการกระทําที่เราไม่ควรกระทํา ถ้าการกระทำมันไม่เสียหายจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตอนนี้รู้สึกรอความตายครับและกลัวการเกิดมากอยากทราบว่าคิดแบบนี้ผิดไหมครับเบื่อโลกครับไ ม, ไม่ผิดหรอกพิดแต่ว่ามันยังยังมีกิจที่เราทาอยู่คือความคิดอย่างอย่างอย่างเดียวนี้มันยังไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเราต้องปฏิบัติจนกระทั่งเรามีความไม่กลัวจริงๆ วิญญาณในขันห้าต่างกับวิญญาณที่ไม่มีร่างไหมครับเป็นคนละอย่างกันวิญญาณที่ไม่มีร่างก็เป็นตัวจิตเนี่ยที่เป็นตัวธาตุดวงนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะเพราะพราะจิตไม่ไม่ได้อยู่กับร่างกายเราก็เรียกจิตนี้ยว่าเป็นดวงวิญญาณแต่วนวิญญาณที่อยู่ในจิตอีกทีนี้วิญญาณในขันห้าเนี่ยมันมันมันก็เป็นวิญญาณที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อติดต่อกับร่างกายกับจิตระหว่างจิตกับร่างกาย อ่ารตาตหจะบองเล่นกายอ่างกายสี่ห้าข้อสามนี่หนักมากกว่าข้ออื่นๆไหมครับคือถ้านเรียงลำดับความหนักบาลแล้วข้อหนึ่งนี่หนักที่สุดการฆ่าตามด้วยข้อสองการรักทรัพย์ตามด้วยการประเพื่อผิดในกางตามด้วยการพูดปดเราก็ตามด้วยการดื่มสุรายาเมา โทษจาบาภตางกันเพราะความเสียหายมันมันมากว้ยต่างกันบางนี้่าเขานี่ไม่ราดทา่านออกไปค่าเขาเนี่ยสถานการณ์สงครามคนจะมีความกังวลใจไม่เป็นสุขท่านช่วยแนะแนวทางให้วางใจด้วยครับก็วางใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้สัมเรธมานัตตา ทำทั้งหายทั้งปวงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของเหตุทั้งปัจจัยนี้ทำให้มันเกิดและมันดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นนั้นก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปให้ได้ยอมรับมันไปนั้นใจรับมันจะไม่ถูกอย่าไปอยากอย่าไปอยากไม่รับมันอย่าไปอยากให้มันหายไป ม, มันไม่หายมันก็ทำให้ใจเราทรมาร า, านขึ้นมา เราจะระ ง, งับความโกรธกับลูกเวลาเขาดื้อย่างไรครับก็เบื้องต้นกะพยายามใช้สติมริกรรพุทโธพุทโธเพื่อให้เราหยุดความโกรธไว้ชั่วคราวก่อนแล้วขั้นที่สาก็ใช้ปัญญาว่าลูกเขาลูกเราก็มันเ็เป็นอนิจจังทุกของอนัตตาเหมือนกันเราไปโกคุ ม, มัครับเข า, ขาไม่ได้สมอ เราอาจจะสั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้บางเวลาอาจจะสั่งได้บางเวลาอาจจะสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสั่งให้เขาทาอะไรสอนให้เขาทําอะไรแล้วก็ไม่ทําตามเราสั่งเราแล้วก็เองอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องทำตามที่เราสอนเสมอไปถ้าเราไม่เอาหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกดเขาถ้าเราไม่น้าที่สอนก็สอนไปชวนเขาจะทําตามที่เราสอนหรือไม่นี่เราต้องทําใจ ทุกคนอยากเป็นคนสวยคนหลอ่อแต่คนสวยหล่อเป็นไปเป็นไปเป็นได้ง่ายกว่าการเป็นคนดีขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความครับความสวยงามเขาท า, างร่านการมันก็สามารถตกแต่งได้ทำไมยนี่มีวิธีศัยกรรมอะไรต่างๆมีเครื่องสำมางมีอะไรต่างๆมันง่ายกว่าการที่จะทําความสวยงามทางใจเพราะความสวยงามทางใจนี้หมายถึงการเปลี่ยนนิสัย ถ้าเราเปฏิสัยไม่ดีจะเปลี่ยนวิสัยให้ดีมันก็มันใช่มันไม่ใช่ไปของง่ายแล้วเกี่ยวการเปลี่ยนมือซ้ายถ้าเราเคยถนาดมือขวาแล้วเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายมันก็ยากกว่าแต่ก็ไม่สุดวิสัยเลยเราใช้เวลาใช้ความพยายามว่าถ้าเราเคยเดินสุลาแล้วอาจจะเลิกเดินสุลาอย่มันก็ไม่ใช่ไปของง่าอย่างเมื่อกี้มีคนถามมาว่ายังเด็ดสุลาอยู่ทํำยังไงดีก็ต้องใช้กําลัง สติใช้ปัญญาแล้วพยายามฝืนมันให้ได้ฝืนได้ถ้าเราพยายามสู้กับมันแต่ถ้าเราไม่สู้กับมันเราจะแพมม้มันไปตลอดมันยากกว่าการเป็นนิสัยให้คนให้เป็นคนดีมันยากกว่าการเปลี่ยนหร่างกายให้มีคนสวยว่างเวลาเจ็บปวดร่างกายเพราะป่วยทําให้ลืมการเจริญสติบ่อยๆครับ ก็ลองต้องพยายามฝึกสติบ่อยๆในขณะที่เรายังไม่ป่วยให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาพอเวลาที่เราเจ็คไายได้ป่วยเราก็จะสามารถใช้การเจริญสติมาช่วยระ ง, งับความทุกข์ทรมานใจได้การทําบุญให้กับผู้ล่วงลับท่านเหล่านั้นจะได้รับไหมครับก็แล้วแต่สถานะภาพของท่านว่าท่านเป็นสถานภาพที่จะมารอรับหรือไม่บางท่านก็ไปเป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้มารอรับบุญ พว้ที่เป็นเปรตท่านนั้นท่จะมารอรับส่วนบุญที่เราทิ้งไปขุณนางผู้ชายในสมัยก่อนมีภรรยาหลายคนอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ3ามไม่รับอาจารย์ก็มองนามตัวอักษรก็ผิดนะแต่แล้วแต่แต่แปลความหมายก็ได้นะเพราะบางทีเขาถือว่าคนที่มีงานมีเอาคนมาเลี้ยงดูก็ไม่ได้ทาให้เกิด ความเสียหายอะไรก็ทําแบบไม่ได้ทําแบบปกปิดอะไรทําแบบเปิดเผยกว้าง เ, เหมือนกับเป็นการกระทําที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เป็นโทษกับใครเป็นประโยชน์ก็อาจจะไม่ถือว่าผิ ด, ผ ด, ผดการกระเพิดผิดในการก็ได้การกระเพิดผิดในการนี้เขาหมายถึงการมีความซื่อสัต์ต่อบุคคลที่เป็นคู่ของเรา ทำเนียมสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ด้วยไหมครับอาจารย์่กฎหมายครับใช่อะไรอันนี้ก็ไม่ถ้าถามตรงไปตรงมาก็มันก็ผิดนะถ้าเราจะถือหลักของกฎอันนี้ว่าผัวเดียวเมียเดียวนี้มันก็ผิดครับแต่ถ้าเขาเผัวเดียวจะสามเมีได้เนี่ยก็ถ้าเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ไม่ไม่ไม่ทุกไม่เดือดร้อนไม่เสียหายอะไรมันก็ไม่น่าจะผิด ทำไมคนที่ตายไปแล้วถึงใช้คําว่าผีครับผีคืออะไรครับฟังแล้วไม่ชอบครับก็เป็นนามศัพนามที่เราใช้กับโยม ญ, ญานคือจัจิตใจที่ไม่ได้ตายของร่างกายแล้วก็เรียกพอเป็นผีถ้าสมมุติว่าเราเห็นของที่วางไว้หลายวันเป็นอาทิตย์เหมือนไม่มีเจ้าของแล้วเราเอามาเป็นของตัวเองแล้วอีกสองาทิตย์รู้ว่ามีเจ้าของ เขาเอามาทวงคืนเราคืนไปแบบนี้เอาเขาแต่แรกแต่ไม่สําเร็จแบบนี้เป็นบาปไหมครับคือบาปตั้งแต่เอาของเข้ามาแต่ที่ไม่ไป็ของเขาแล้วเพราะเราไปถือว่าเราคิดว่าไม่มีเจ้าของใช่แล้วแต่วจริงของไม่มีเจ้าของถ้าไม่อยากจะทําทบาป ก, ก็อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งแต่ถ้าถ้าเอาไปแล้วถ้าเข้ามาขอคืนให้เขาคืนไปอันนี้ก็อาจจะ ลบบาปที่เราทำก็ได้ชีวิตเราเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้เลยใช่ไหมครับวางแผนอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าครับมีส่วนที่เราวางแผนได้ แ, แผนขอเราอาจจะถูกเหตุปัจจัยอยือย่นมาลบล้างก็ได้เห็นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะเราก็สามารถทำอะไรได้วางแผนได้ แต่มันจะเป็นไปตามแผนหรือไม่มก็อีกเรื่องหนึงที่ราวางไผนว่าเราจะเรียนห่ังสือถึงชั้นนั้นชั้นนี้แต่ระหว่างทางทางบ้านอาจจะเกิดปัญหาวิกฤตพ่อตายหรือแม่ตายหรือไม่มีเงินที่จะมาเรียนต่ออผนที่เราวางแผนมันง่ายยิต้องล้มเหลวไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่วางแผนได้แต่แต่มันไม่แน่นอนเลย ระยะเวลาสั้นเกิดความวิกฤตการเตรียมความพร้อมโดยการตุนสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตอย่างนี้ถือว่าไม่ประมาทในชีวิตไหมครับยังถือว่าประมาทอยู่วิธีที่ไม่ประมาทก็คือยอมอดยอมตายเนี่ยอย่างนี้เท่าไม่ประมาทฝึกจิตให้ยอมอดยอมตายจดีกว่าแล้วจิตจะไม่ถูกกับการอดอยากาแค่เวลาที่เกิดการอดอยากขึ้นมาในเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการตายขึ้นมา ถ้าเราไปกัดตุ น, นะะอาหารเพื่อจะมาคอยเลี้ยงง้างกายเหล่าเนี้อันนี้ถือว่าไปผิดทางถ้าเราต้อกัดแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราที่ไม่ยอมอดที่ไม่ยอมตายถ้าเรามาแก้ที่ตอนนี้ยอมอดยอมตายไแล้วเราก็ไม่ต้องไปกัดตุนอาหารให้เนสะีย อาจารย์ครับเพิ่งจะเสียลูกสาวจากอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตเพิ่งอายุ12ปีครับตอนนี้คิดว่าเราดูแลลูกไม่ดีที่รักษาชีวิตเขาให้เติบโตไม่ได้เป็นห่วงเขามากว่าถ้าเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ครับทําอย่างไรดีครับก็อย่างที่พูดเนี่ยเราก็ทำํำดีที่สุดแล้วแต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่เหนืออานาจเยกำลังของเราที่จะไปทําให้มันดีตามที่เราวางแผน ไ, ไม่ได้ เราก็ต้องยอรับสภาพความเป็นปจริงว่าโลกเราเร า, เราอยู่ในโลกของการนิจจ์ไม่มีอะไรแท้แทแน่นอนชีวิตของคนเราทุกคนจะตายได้ทุกเวลามันจะเป็นว่าจะต้องอยู่ไปจนแก่ตายเสมอไปงั้นก็ต้องถือว่ามันมันมันก็หมดหน้าที่ของเราแล้วเราทําดีที่สุดแล้วหรือถ้าเราทําไม่ดีแล้วก็มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปถ้าเราจะมีลูกอีกเราก็ต้องพยายามทําให้ดีกว่าที่เราทําในอดีตไปเท่านั้นเอง ส, ส่วนเขาดวงวิญญาณเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็นขึ้นอยู่กับบุญกบะที่เขาได้ทาไว้เป็นผู้จัดการเองเราไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องได้ความตายทรมานแต่ถ้ามีสติจะระ ง, งับความเจ็บปวดได้แต่พอตายแล้วจะไปตามบุญกรรมทันทีใช่ไหมครับถูกต้องเราสามารถที่จะระับความทรมานได้ถ้ามีมีสติมีปัญญา เวลาตายไปแล้วถ้าเรายัางไม่ได้ชานะใจให้สาหอาดบริสุทธิ์ปาท น, นิพพานเราก็ยังต้องถูกบุญกรรมพาไปเกิดต่อไปตามพพทางกำลังของบุญเมือบาทที่เราได้ทำไว้ทำบุญตักบาตรกับนั่งสมาธิแบบไหนได้บุญกุศลที่แรงกว่ากันครับคือมันบุญกันละชนะดกันแต่ความชงนี้นาาร้อยต่างกัน บุญที่ได้จากการทําบุญทำทานกับบุญที่นั่งสมาธิในบุญที่ได้จากสมาธิจะเป็นบุญที่มุความสุขมากกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบไม่ได้ทําทานแต่เน้นศีลสมาธิปัญญาครับได้ไดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปล้วนดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมเพราะกรรมเกิดจากการกระทำที่หลีกหนีไม่พ้นหากทำแต่กรรมดีจะส่งผลให้ใจเกิดสุขและจิตสงบนิ่งรับได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีสติแก้ไขและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นๆและเหตุการณ์เหล่านั้นได้ใจจึงไม่เกิดทุกข์ความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าทาใจได้ใช่หรือไม่ครับใช่ถ้าไม่ทุกข์ก็เสียใจได้ ตำราว่าคนเท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมได้ทำไมหลวงปู่ม่านโปรดผีที่ยมมาทุตเอาตัวไปท่านขอไว้ได้แะครับมีรู้มีเรื่องนี้จริงไหมครับอาจารย์โดยโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่ยอมปฏิบัติธรรมได้เพราะคนคนที่สอนธรรมะ ก, ก็เป็นคนใช้ภาษาคนบางกรณีคนที่มีมียาวิเศษสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ ก็สามารถสอนกายที่ให้ปฏิบัติทําได้เหมือนกันช่นองค์พระเจ้าก็ไปโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาก็เป็นเทพเนี่ยพระเจ้าก็สามารถติดต่อพวกเทพได้อ็สอนพุทธมารดาให้ปฏิบัติทำจนมนุษย์เป็นพระสวสดาวันขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราเถือกันกัน เ, เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติทำได้ทุกคนถ้าเป็นกายที่นิรันดร์ให้มีพระอรหันต์นี่พระอุตตรเจ้าที่มีอภิญยา ที่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ถึงจะสามารถเรียนรู้และน้อมไปปฏิบัติต่อได้ถ้าหากเราจะไปวัดที่เคยไปไปบ้างไม่ไปบ้างเพราะพระท่านเน้นเครื่องรางของขลังและอิทธิฤทธิจะบาปไหมครับไม่บาปการไปวัดจะมียการเราจะไปทําบุญถ้าเราไม่ไปทําบุญเราก็ไม่ได้ไม่ได้บุญตัวเอง แต่เราไม่ได้บาปจากการไม่ไปวัดขอวิธีขจัดความขี้เกียจหลังจากตื่นนอนครับอาจารย์ครับก็ให้เราเลืกเความตายว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ฉังนั้นตอนเวลาต้องทําให้รีบทำเสียแต่เต้นนั้นเพราะไม่มีใครรู้อย่างแน่แน่นนชัดว่าจะตายเมื่อไหร่กันอย่างเมื่อกี่ก็มีคนามทรง สูงข้อความเข้ามาที่บอกว่าเม่นุสานอายุสิบสองปีก็เสียชีวิตได้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ขี้เกีอย่างนี้วิธีที่ง่ายแล้วเร็วที่สุดเพื่อมีสติและระลึกถึงก่อนสิ้นลมหายใจครับก็ต้องทำก่อนต้องฝึกก่อนก่อนที่เราจะถึงสภาพนั้นตอนนี้เราแข็งแรงเรามี ความสามารถที่จะเจริญสติได้ก็ควรเจริญสติน่าต่างนี้ไปไม่ใช่มารอตอนที่ใกลยย้จะตายแล้วค่อยมาทำโสดาบันสี่ห้าต้องเป๊ะเลยใช่ไหมครับคือหลังจากบรรลุถึงนะโสดาบันแล้วก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด ที่สุดแห่งการทำความดีคือต้องทำอย่างไรครับก็ต้องทำสามอย่างนนหนึ่งไม่ทำบาปสองทำความดีในรูปแบบต่างๆแล้วก็ซักพ่อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งสาอย่างนี้เป็นที่สุดของการทำความดี พาแม่ปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานให้พ่อแม่เตรียมตัวตายแบบนี้เป็นการตอบแทนท่านอีกทางได้ด้วยใช่ไหมครับบุญจากการตอบแทนท่านก็คือบุญด้วยไหมครับก็เราทำอะไรที่ถ้าเรารับใช้พ่อแม่เราก็ได้บุญนะตอบแทนบุญคุณบางทีพ่อแม่อยากจะไปวัดไปเองไม่ได้เราก็พาท่านไปแล้วก็ถืว่าเราได้ทำบุญกับพ่อแม่ของเรา เช้าทำบุญใส่บาตรเราจะส่งกุศลคุณงามความดีให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับไหมครับแล้วแต่ว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่าตอนนี้โลกปั่นป่วนเพราะความกระหายอำนาจและความกลัวของการขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติใช้สัญชาตยานดิบปลายใหญ่กินปลาเล็กของภูมิคุ้มกันจากอาจารย์ครับ ก็นี่เราก็ต้องยึดคำสานของพเจ้าอย่าไปทำบาปทำแต่ความดีแล้วก็ทำใจให้สงบสัพโลใจให้ท่านบริสุดแล้วใจเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังน้องทีก็ตามให้ธรรมะเป็นทานกับให้อภัยทานอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับ ก, การให้ธรรมะนี่ท่านถือว่าเป็นการให้ที่สูงสุดเพราะธรรมะนี่จะทําให้ธรรมะและเป็นการให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ยัางอื่ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไาาด้นอ ก, ากนานจากธรรมะเนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้ทําทานแต่ปฏิบัติโดยศีลสมาธิปัญญาในการชำระกิเลสในใจแต่ทั้าหมดอายุขยในชาตินี้ก่อนบรรลุธรรม ดังนั้นชาติถัดไปในการปฏิบัติต่อถ้าไม่ได้ทําทานเป็นเบียงบุญไว้จะลําบากไหมครับไม่ควจะไม่เกิดยากจนนะไม่เกิดนั่งรวยนะครับคุณครูบาอาจารย์ภาวนามาแต่ไม่ได้ทานใช่ไหมอ า, าจารย์เกิดเป็นชาวนาใช่ถ้าอาจจ ะ, จะชอดก่นถ้าอาจจะทำแต่ภาวนาเปนมาเกิดเป็นเป็นลูกชาวนาชาวไร่เลิกคนยากคนจนเก็ได้ มันก็ดีอย่างาว่ามาเกิดเป็นคนยากคนจนแล้วก็ชาสละให้ง ไ, งไปเปิดตัวทำได้ง่ายเพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียดายแต่ถ้าเกิดเป็นลูกของคนเวยนี่ไงนจะไปทีมันยากเพราะมีสมบัติเยอะใส่บาทออนไลน์ดีไหมครับอาจารย์ก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเราสะดวกที่จะใส่บาทออนไลน์ก็ใส่บาทออนไลน์ บางทีเราไม่สะดวกที่จะไปใส่บาตรเอก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีการบริการนั่งสมาธิมีอยู่ครั้งหนึ่งนิ่งมากแล้วเราเห็นตัวเรานั่งมองร่างเราอยู่ข้างหน้าเป็นเพราะอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะเห็นก็เห็นให้ศัก์แต่วันรุ่งไปท่านเองงานศพถ้าสวดวันเดียวแล้วอีกวันเผาเลยได้ไหมครับได้ไม่สวดเลยก็ได้ การดูลมอาณาปานสติดูตอนเคลื่อนไหวร่างกายได้ไหมครับตอนเดินตอนทํากิจกรรมอะไรต่างๆครับมันจะยากเพราะมันลมมันละเอียดมันจะจับลมได้ยากกว่าการจับร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดีกว่าถ้าร่างกายในการกระทาอะไรแล้วก็เป็นความจําเป็นด้วยที่จะต้องดูร่างกายเวลาเราทํางานเราโมแต่ไปดูลมงานที่เราทําก็อาจจะผิดพลาดได้เวลาถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวต้องดูร่างกายแทน พอเราจะได้ไม่ทํำผิดอะไรถ้าเราเดินไปแล้วโม่แต่ ด, ดูลมเนื้ออา จ, จะได้ไปชนกับคนนั้นคนนี้ก็ได้เพราะเราไม่ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราหรือไปเหยียบอะไรเข้าต้องงงตกบ่ ก, ก็ได้เพรนเวลามีการเคลื่อนไหวของร่างกายคนจะดูร่างกายแทนดูลมลมนี้หมาแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเฉยๆเท่นัที่ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหว การสวดมนต์นั่งสมาธิและอุทิศให้สัพพะัตว์และเทวดาประจําตนเองพวกเขาจะได้รับบุญไหมครับแล้วถ้าเราขอขอมาเพื่อให้พวกเขาอาภัยในการกระทําที่เราทําให้พวกเขาไม่พอใจและเป็นทุกข์เขาจะให้อภัยไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะเราถามกนดูครับจิตใจฟุ้งซ่านปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ไม่สงบครับจะต้องแก้ไขยอย่างไรให้หายฟุ้งซ่านครับ ต้องส้าสติขึ้นมา ก, ก่อนวันฝึกสติวิกรรมพุโทโธพุโทโธบ่อยๆทั้งวันมันในระหว่างวัน ต, ต่อไปความผูกสร้างก็จะน้อยลงขอโอกาสครับอาจารย์ถ้าแม่กำลังป่วยและเรารักษาศีลและนั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานให้บุญนี้ถึงแม่ที่ป่วยอันนี้พอจะช่วยแม่ได้ไหมครับไม่ได้หรื รู้สึกตัวระหว่างวันอะไรเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าเราทําถูกครับใจไม่ลอยไปที่อื่นงใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับสิ่งที่กํำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ไปคิดถึงอดีไม่ไปคิดถึงอานาคนไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเช่นตอนนี้เราควรังอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงสงคาไม่ไปคิดถึงพรุ่งนี้ว่ า, าจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังฟังธรรมกอยู่ให้ใจอยู่การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับปัจจุบันถามนะครับกครั้งที่ลูกนั่งสมาธิจะชอบขนลุกทุกครั้งเลยเกิดจากอะไรครับมันก็เป็นไปได้วันที่จิตน้อความสุขขึ้นมามันก็เกิดปรติขึ้นมาเขาเรียกอาการของปรติ าการกขอาการเขาลกขึ้นมาได้มีอาการซึมเศร้าแพนิคนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมครับได้ถ้าทำใจให้สงบได้อาการแพนิค ก, ก็จะหายไปข้อ ท, ที่หนึ่งครับอาจารย์คารว่าที่ไปอยู่วัดสมัยนี้แม้จะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพมาก แต่เพื่อหวังนิพพานแล้วทําไมต้องทนไปอยู่เพื่อทรมานร่างกายครับคือทําให้สุขภาพสุดมากขึ้นเช่นอาหารที่วัดไม่ถูกกับโรคธาตุหรือโดนคนวัดสั่งให้ทําความสะอาดวัดแบบไม่จบไม่สิ้นทําให้ร่างกายที่ปวดเรื้อรังอยู่เดิมเป็นมากขึ้นผลคือช่วงไปอยู่วัดจึงมีแต่โทสะเพรโรคกําเริบครับก็อย่าไปเลยถ้าไปถ้าไปแล้วมันกิเลสมากขึ้นก็อย่าไปคนที่เข้าไปกันเขาหวังว่ากิเลมันจะน้อยลงเพราะไปกัน ข้อสองครับแล้วทําไมอาจารย์สอนอย่างหนึ่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งเช่นสอนให้คลุกอาหารรวมในบาตแต่ท่านเองไม่คลุกสอนให้ร้อนทนหนาวแต่กุติท่านติดแอร์มีเครื่องฟอกอากาศครับก็ เ, เป็นเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่น้าปู่ก็สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาลูกก็เดินตามหน้าอยู่ดีงั้นการจะสอนใครนี้ให้เป็นไปเลย ต้องดูว่าการกระทำของเราเป็นยังไงเพราะคนเขาจะดูการกระทามากกว่าฟังคาพูดของเราได้ฝากเงินทำบุญร่วมกับเพื่อนตลอดแล้วแต่เขาจะเอาไปทำบุญอะไรผลบุญตกถึงเราเหมือนเราได้ทำเองใช่ไหมครับแล้วเราต้องอนุโมทนาบุญร่วมกับเขาด้วยไหมครับผลบุญเกิดขึ้นจากการที่เราให้เงินเขาไปแล้วชนเขาจะไปทำบุญแบบไหนก็ ก็แล้วแต่เรื่อแม้แต่เขาจะไม่ทําก็มุองไปใช้อย่างอื่นบุญที่เราทํากับเขาผ่านเขาก็เราก็ยังได้บุญอยู่วนการนุมโมทนาบุญที่เราไม่จําเป็นจะต้องอน้อโมทนาบุญเพราะมันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการอนุโมทนาบุญการทาบุญอนืุ่โมทนาบุญนี้เป็นการแสดงความชื่นชมเย็นดีกับการทําบุญของผู้อื่นเวลาเห็นคนอื่นเขาทําุญทบุญเนี่ยเสาธุไปกับเขาชื่นชมเย็นดีด้วย อย่าไปถัดขวางก็อย่าไปโตะอย่าไปห้ามาว่าอย่าทำานยไม่ดีหรอกวันนี้ไม่ดีผ้ารุ่มนี้ไม่ดีอะไทำนองนี้ไม่ควรจะทำเพราะอย่าทำาุญกับใครถ้าถือว่าเป็นบุญก็ก็ดีก็อนุโมทนาไปะดีกว่าให้กำลังใจคนทำบุญด้วยแล้วเราก็ได้ความสุขร่วมไปกับเขาด้วยต้องบอกพ่ออย่างไรดีครับจะได้ไม่ทรมานครับ เพาะความตระหนักที่ใจของพ่อเองบอกอยังไงก็ช่วยไม่ได้แร้วถ้าพ่อไม่รู้จักทําใจการมีสติรู้สึกตัวจะเป็นเครื่องมือควบคุมอารมณ์และจะรู้เท่าทันอารมณ์ทุกขณะจิตที่เกิดฉะนั้นสติจึงต้องมีตลอดเวลาทั้งวันจึงปลอดภัยจากการสร้างวิบากกรรมในแต่ละวันใช่ไหมครับถูกต้อง เกิดมันจำเป็นในทุกกรนีท่านแสดงไว้ท่านในชีวิตประจําวันไม่ได้ทําผิดศีลต้องสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลแผ่เมตตาก่อนนั่งสมาธิไหมครับหรือสามารถนั่งได้เลยครับออจะนั่งสมาธินี้ไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นก็ได้นั่งได้เลยไม่ต้องสมาทานศีลก็นด่งสวดมนต์ก็ได้พานั่งสมาธิได้ก็นั่งไหว้ก็ได้ แผ่เมตตาควรแผ่ก่อนนั่งสมาธิอื่นหลังนั่งครับเราแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันงานเจอใครก็ให้ความสุขของเขาด้วยการยิ้มให้เขาขนมเราเอามาฝากเราแบ่งปันกันนี้ว่าเป็น ก, การแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดต้องแผ่ด้วยการกระทําเวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบแต่จะตามเห็นจิต ตลอดเวลาจิตไหลแล้วดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธแบบนี้ถูกต้องไหมครับต้องอย่าให้ไหลให้ให้อยู่กับพุโทโธไปใช้จิตนึงให้จิตสงบถ้าปล่อยให้ไหลไปเรื่อยก็ไม่ก็เหมือนกับไม่ได้ภาวนาไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรร ม, มเพราะผลมันไม่เกิดผลก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผลก็คือจิตก็ยังไหลไปไหลมาอยู่อย่างนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อควบคุมจิตให้นิง่งให้สงบพอเวลาจิตสงบแล้วมันเกิดความสุข พลังที่จะสามารถเอาไปดับกิเลสดับความทุกข์ต่อไปได้คนที่เสียชีวิตแบบไม่ทรมานหลับไปเฉยๆกับเจ็บป่วยทรมานร่างกายก่อนเสียชีวิตแบบนี้เกิดจากบุญกรรมใช่ไหมครับก็บุนกรรมอาจจะมีส่วนแต่อาจจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็มันเกี่ยวกับร่างกายอย่างที่บอกมันอ น, นิจจงมันไม่แน่นอน มีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันมุนบายที่เราทําก็าจะมีส่วนภาวนาพุโทโธแล้วคําบริกรรมหายแล้วเกิดจาอะไรครับต้องทําอย่างไรต่อครับเราก็ต้องเราหยุดบริกรรมมันก็หายเลยเราก็ทบริกรรมใหม่อย่าให้มันหายให้มันจิตรวมลงเหมือนเด็กจากที่สูงลงไปแล้วมันหายแบางนั้นก็ไม่เป็น อาหาแบบนั้นแล้วมันแสดงว่าจิตสงบแล้วจิตสงบจิตสบายนะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องบริกรรมต่อไปเรื่อยๆหายก็ต้องเริ่มใหม่ภรรยาเป็นคนเตรียมของใส่บาตรสามีเป็นคนใส่คนเตรียมจะได้บุญไหมครับขึ้นอยู่ว่าของป็ของใครใครเป็นเจ้าของของอันนั้นเจ้าของคนนั้นได้บุญ ได้บุญที่เกิดจากการให้ของในคนที่มาช่วยใสยบ่บาตรนี่เป็นคนได้บุญจากการไปรับใช้คนอื่นเอเป็นบุญคนละแบบกันรักษาศีลดยไม่ต้องมาทานเลยได้ไหมครับรอาจารย์ได้ถ้าเราจะรักษาศีก็ไามรรักษาไปได้เลยจากคุณพัชรวัตรครับลูกได้ใช้มือเปล่ากรอบ เก็บหนอนที่อยู่ในถังขยะใจรู้สึกเฉยและระวังไม่ให้ตัวหนอนตายไม่ใช้ไม้กวาดกลัวเขาตายลูกชอบพิจารณาตัวหนอนมีชีวิตเหมือนกับลูกครับกรณีนี้ลูกมีความเมตตาใช่ไหมครับก็มีความมีมความเมตตาไม่ทำร้ายเขาฟังธรรมวันนี้ถือว่าทําสมาธิไหมครับ การทําธรรมก็สามารถทําให้ใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากับการนั่งสมาธิความสงบมันมีหลายระดับเลยถ้าอยากจะได้สมาธิความสงบแบบเ ล, เ, ลเล็กต้องนั่งสมาธิการฟังธรรมนี่ก็ทําให้ใจสงบได้แบบไม่แบบไม่ฟุ้งซ่านได้คนระดับกันความสงบมีหลายระดับด้วยกัน อยากทราบว่าเจ้านายมักใช้คำขู่ดุว่าไม่เหมาะที่จะทำงานเพราะไม่ดีพออยู่ตลอดและบ่อยมากมาหลายสิบปีบีบคั้นให้กลัวและกังวลเวลาต้องการงานจากพนักงานอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเขาก็พูดไปเป็นเชิปงปลเมาพยายามกรตุ้นให้เรามีความเพียรปยายาเขาไม่ได้มาทาให้เราเสียหายเดือนน้อยก็ไม่บาป พะที่เคยสอนอยังเจ้าชู้เล่นมนดำแต่สิบปฏิบัติไปสูงกว่าจึงรู้และไม่ไปกราบอีกอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการตันอยู่ไหมครับไม่เกี่ยวกันนะการจะไปกราบไปศึกษากับท่านไม่ไปศึกษาไม่เกี่ยวกับความกตัญญูแต่อย่างใดเจอเพื่อนร่วมงานพูดไม่ดีใส่ครับคิดว่าน่าจะเงินเดือนมากกว่าเขาล่าสุดเขาต่อว่าว่าหนูเป็นคนบ้า สมองปลาทองตกใจแต่หนูไม่ได้ตอบโต้เขามองว่าเป็นดินฟ้าอากาศอย่างนี้ขอกําลังใจพระอาจารย์ครับก็อย่าไปเสียใจเรคําพูดขอ ง, องได้เลยเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดยังไงจะริงไม่จริงเราก็ไม่รู้สำคัญคืใจเราต้องวางเฉยให้ได้นา น, นั่งสมาธิกับการปฏิบัติกรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรครับ อันเดียวกันแต่เราใช้ชื่อเรียกต่างกันแน่กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจเพรานั้นนั่งสมาธินี่เราต้องมีอารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดเพื่อใจได้หยุดคิดแล้วเข้าสู่สความสงบเป็นสมาธิได้ัางจึบางที่เรียกว่านั่นกรรมฐานบ้านั่งสมาธิบ้างแต่เป้าหมายก็คืออันเดียวกัน กระผมเข้าใจว่านิพานหมายถึงจิตใจเป็นไทยเป็นอิสระจากความอยากไม่เป็นทาตของความอยากหลุดพ้นจากความอยากทุกประการสิ่งที่จะสนับสนุนให้จิตใจมีกําลังหยุดความอยากได้ทันคือศีลสมาธิและมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมเพื่อพัฒนาปัญญากระผมเข้าใจตามนี้พอจะถูกทางไหมครับก็ถูกต้องมีศีลสมาธิและปัญญาจะสา ม, มารถที่จะทําจิตใจให้สะอาดบสุทธ ไห้เป็นนิพพานขึ้นมาได้จะทําอย่างไรถ้าใจเราคอยกังวลวิตกจริตกับสิ่งที่เราคาดหวังครับก็ต้องสอนใจว่าอะไรในโอกที่ไม่มีอะเทียมแท้แน่นอนอะไรจะเกิดก็ได้อะไรจะดับขึ้นมาก็ได้เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต้องพยายามทำใจให้มันกว้างไว้รับกับทุกสภาพให้ได้ การปล่อยสัตว์แล้วจะช่วยให้ต่ออายุเราได้เหมือนที่พระสาวกเคยดูให้ลูกศิษย์ว่าจะตายแต่พอช่วยชีวิตสัตว์แล้วก็ไม่ตายเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่คือถ้าการไปปล่อยสิ่งหรือนต่อชีวิตได้เราก็ไม่ต้องตายกันเลยอยจะต่อชีวิตก็เดี๋ยวไปปล่อยมา้าไปซื้อม้ามาปล่อยตัวซื้อปลามาปล่อยแต่เราก็ตายทุกคนนะ นันไม่ไม่น่น่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เราต่อชีวิตได้ไมันอานจะเป็นว่าเรายังไม่ถึงเวลาตายกันได้มันก็ ย, ยังไม่ตายพเพราะที่เราไ ป, ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยสัตนก็เลยทําให้เราไปถือว่าเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ตายขึ้นมาก็แล้วการกลับมารู้สึกตัวเวลาเราเผลอไปคิดต้องทําอย่างไรครับตอ น, นั้นก็ต้องใช้สติใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาแวลาถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้มี เราเผอแล้วเราก็ต้องใช้สติหนึ่งหนึ่งกำมาใช้กรรมวิกรรมหนึ่งกำมาคนเป็นผู้นำประเทศแล้วก่อสงครามทำให้ผู้คนบริสุทธิ์ล้มตายจานวนมากบาปไหมครับบาปทำให้เจตน า, นาคุณคณิ t าครับบอกว่าติดตามฟังธรรมมพระอาจารย์ทุกวันเวลาบ่ายสองแล้ววิสัยวิสัชนาธรรมวันอาทิตย์ กราบขอความเมตตาหลักธรรมะเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและเมตตาขอพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดสิบเจ็ดมีนาครับอาจารย์กรับธรรมก็คือเนี่ยคาสอนสามข้อเดียวกัจะมีทานศีลภาวนาก็ได้เรื่องการละทางกระทําบาปทั้งปวงการบุญธรรมมรรคตนั่งลายให้ถึงพรการซักางพรจิตใจให้สาบานบริสุทธิ์แล้วพรนั้นนั้นมาเสร็จก็คือการไม่จลับมาเกิดก็จะเป็นผลตามมาต่อไปเรื่องเรื่องนาาวันเกิดก็ขอให้ ปฏิบัติจนกระทั่งไม่ต้องกลับมาเกิดในภพนิชชาินี่ขอให้เทวดาเป็นภพชาสุดท้ายก็แล้วกันเราสวดมนต์นั่งสมาธิและยังไม่ก้าวหน้ามากนะักแต่เป็นอมพึกนั่งไม่ไหวควรปฏิบัติต่ออย่างไรได้ครับนอนสวดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เราก็นอนสวดไปก็ได้แต่อาจจะหลับมากก็ได้ถ้าไม่หลับเราก็อาจจะได้สมาธิก็ได้ ตอนเด็กๆสี่ขวบเอามีดจี้ตาปลาเป็นเป็นเล่นเพราะไม่รู้เรียงสาหกขวดนมตาเกือบมองไม่เห็นปวดตาบ่อยๆจะแก้กรรมอย่างไรทั้งที่ใช้กรรมไปแล้วครับเอาแก้ไม่ได้หรอกม่ได้ยังไม่หมดก็ได้แล้วมันอาจจะไม่เกิดจากการทําบาปของเราเพราะบางทีทําบาปแล้วไม่มีเจตนาก็าไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่ก็จจะมีผลต่อการ การมีผลกระทบกลับมาหาเราก็ได้อันนี้แต่มันไม่เป็นบาปเพราะถ้าเราไม่มีเจตนาแต่เราก็ไม่รู้แน่ใจว่าเราไม่เจตนาหรืไมถ้าไม่มีเจตนาเราคงไม่ไปเล่นครับสี่ห้าไม่ครบนั่งสมาธิภาวนาได้ไหมครับได้เวลานั่งสมาธิก็มีสี่ห้าครบเวลานั่งเราก็ไม่ได้ฆ่าสั่มไม่ได้รักสามไม่ได้ประพฤติในกาล ไม่ได้พูดไม่ไลือกชา ย, ยาเราถ้าเราต้องโกหกเอาตัวรอดไผ่ลู่ลมตามน้ำแบบนี้เป็นบาปไหมครับบาปตายไปแล้วตกนรกหรือไปสวรรค์คำว่านรกสวรรค์เป็นสถานที่หรือไม่ครับหรือขึ้นอยู่กับจิตที่มีกรรมมีกิเลสครับเป็นสภาพของจิตใจว่าสุขทุกข์เนี่ย ทรงในแบบไหนทุกแบบไหนมีนหลายรูปแบบด้วยกันเวลาเราทุกก็ทุกเพราะร่างกายเวลาจิตใจทุกก็พลอยทุกไปด้วยทำไมจิตใจถึงยังยึดทั้งสองอย่างแล้วก็ยังทุกอย่างนั้นครับเพราะความหลงไม่รู้จักวิธีกาจัดความทุกที่ถูกวิธีนั่นเองถ้าเร้ศึกษาทําแล้วก็จะรู้จักวิธีกาจัดความทุก ทุกที่กำจัดได้ทุกใจทุกทางร่างกายนี้นก็ต้องไปหาหมอหายามมามารักษาบาง ท, กทีก็รักษาได้บาง ท, กทีก็รักษาไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปเวลานั่งสมาธิแล้วมีเสียงดังๆจัดสะดุ้งตกใจแบบนี้คือยังไม่มีสติหรือเปล่าครับ ไม่หรอางทมันนตัวมามากระทบใจล้วมันเป็นสัญชาตญาณที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระทบแบบรุนแรง ก, ก็ได้แต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอะไรก็ให้รู้พอพอมีนะักก็มันก็ดับไปมันก็ผ่านไปก็จบอย่าไปตื่นเต้นตกใจตามไปกันแล้วกันถ้าตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ถ้าเฉ ย, ยก็ไม่มีกิเลส ลูกสาวมีอาการไม่รู้สึกตัวเองไม่มีสติอยู่กับตัวคนที่เห็นจะเห็นลูกสาวมีอาการอยากอาเจียนน้ำตาไหลเคี้ยวอะไรบางอย่างอย่างนี้ควรทำอย่างไรครับไปหาหมอเลยถือศีลห้าแต่ชอบเผลอไปบ่นวิจารในโลกโซเชียลจะพร่องในศีลข้อสีัไหมครับสีลข้อสีนี่ข้าห้าแม่พูดพูดปดเทอาเอง พูดอย่างอืงอ่นี้ไม่ถือว่าผิดสินงข้อข้อสีในในสิ่งห้านอนสดมนได้ไหมครับได้ต่าจะหลับอาจจะไม่ได้สมาธิยังทำใจไม่ได้ที่สูญเสียคุณพ่อไปครับควรจะคิดอย่างไรดีครับ ที่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเชื่อขาวทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันเหมือนกันหมดเวลานั่งสมาธิด้วยการดูลมเกิดความเจ็บขาสมองคิดว่าอันนี้คือสังขารและวางอุเบกขาดูลมต่อแบบนี้ถูกไหมครับถ้าถ้าวางเฉยได้ก็ถูก ได้ทำอาหารฝากพี่สาวไปทาบุญที่วัดจะได้บุญแบบเดียวกับไปทำเองไหมครับก็ได้ได้ได้ส่วนนี้เป็นของของเราที่เราไปทำบุญแต่เราไม่ได้ทำความเพียรเราไม่ได้ไปเองส่วนนี้เราจะไม่ได้การทำความเพียรคือนำของที่เราจะไปถวายวัดไปกับอาที่วัดเองเราไม่ได้ทำส่วนนี้เราก็ไม่ได้บุญส่วนนี้ คุณคณิษฐาบอกว่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสุดซึ้งและจะน้อมนําไปปฏิบัตินะครับอาจารย์ขันห้าและแปดต่างกันอย่างไรครับขันแปดไม่มีนมีแต่สินห้าสินแปดครับขันห้าคือส่วนประกอบของชีวิตของเราพวกเราทุกคนมีขันห้าก็คือรูปประขันก็คือร่างกายนามปขันก็คือความรู้สึกและคิดเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในใจมารวมตัวกันก็ทำให้เรามีชีวิตอย่างที่เราเป็นอยู่ในขนาดนี้คือขัน 5, ข้นห้าขั้นแปดไม่มีถ้าเราแต่พูดเส้นเส้นแปดมีเส้นห้ามีตอนนี้เหลือสามนาทีแต่เหลืออยู่สองคำถามนะครับอาจจะได้อีกสักหนึ่งสองคำถามถ้าส่งเข้ามาได้นะครับ ขับรถชนสุนัขที่มาตัดหน้ารถโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาปรูปกับสังขารต่างกันอย่างไรครับคาว่ารูปหมายถึงมันมีสอนความหมายรูปก็คือร่างกายนี่ก็เป็นรูปอย่าง น, นรูปประนนี้เป็นคือร่างกายที่มีการสาราิสสองส่วนในความหมายอย่างนี้ก็รูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราก็เรียกว่ารูป เราะว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามรูปต้นไม้รูปคนรู ป, ปสารรูปอะไรนี้ก็เป็นรูปทั้งหมดสังขาร น, นี่แปลว่าสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งก็มีทั้งสังขารที่ที่ปรุงแต่งด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟก็คือร่างกายและต้นไม้ต่างๆสิ่งของต่างๆนี้ก็เป็นสังขารอย่างสังขารอีกอย่างก็มสังขารทางทางนามมาทำก็คือสังขาร ท, ท, ท, ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่ง ความคิดตัวแตกนี่นก็เรียกว่าสังขารอย่างหนึ่งคารู้สึกก็เป็นครับก็เป็นสังขารในอย่างหนึ่งควรจะดูดวงเพื่อช่วยในการตัดสินใจไหมครับไม่ต้องดูหรอกดูการกระทําว่าถูกหรือผิดดีกว่าดีหรือไม่ดีดีกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปดีกว่าถ้าเป็นบาป ก, ก็อย่าไปทําเลยแล้วม้จะได้เลยมาจะสําเร็จก็ตามแล้วมันจะมีโทษตามมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว ทำบุญในการแล้วจะไม่มีโทษตามมาแต่มันอาจจะไม่สําเร็จนะแต่จะไม่มีโทษตามมาอาจจะมีผลดีตามมาทางด้านจิตใจจิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นเราไปเป็นผีเทวดาเราเพียงเปลี่ยนขันห้าไปใช่ไหมครับเราเป็นจะเปลี่ยนขันขันขันเดียวคือรูปปั้นก็คือร่างกายส่วนอีกสี่ขันเราไม่ได้เปลี่ยนมันมันติดไปกับใจอยู่ มันจะทํามันจะกรับมาคิดมันจะรู้สึกมันจะมีอยูม่มันเป็นเรื่องของนิสัยไปขันเสกก็เป็นที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดนิสัยต่างๆขึ้นมานามขันเสกนี่ถ้าเราทําบุญศึกษาธรรมะไว้ในชาตินี้สมมุติว่าได้คะแนนที่สี่ทับสิบถ้าตายก่อนชาติหน้าไปเกิดเราจะเริ่มปฏิบัติที่ศูนย์คะแนนหรือสี่คะแนนครับเราไปเริ่มต่อที่ด้วยสี่คะแนนบุญไปกับเรา สิ่งที่เราได้กรทำทางด้านจิตใจนี้เป็นไปกับเราคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับทำอย่างไรจึงจะหยุดคิดครับก็ใช้สติเนี่ยใช้ทำบริกรรมพุทโธใช้กรรมฐานถ้าเรามีอะไรผูกใจไว้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นๆนี้ไม่ได้ตอนต้นมันยังอาจจะคิดอยู่เพราะเมือนกับเราเบรกรถยนต์เนี่ยเวลาเราเราเบรกรถยนต์นี่นอดไม่หยุด ท, ทันทีใช่ไหม แต่ถ้าเราคอยเบเยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดรถก็ต้องหยุดเองทั้งในใจเราก็เหมือนกันสติก็เป็นเหมือนเบรกของใจาาเวลาเราล่นเบรกด้วยการทใช้คำบริการพุโทโธมันจะไม่หยุดคิดทันทีมันก็จะสู้กันอยู่พักหนึ่งแต่ถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบจนเนี่งแล้วความคิดก็จะหายไป คำถามเข้ามาตอนหลังเต็มเลยครับอาจารย์ไม่ถามก่อนเนสียดายครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ505คนในยู569คนในคลับ3 TikTok 548ครับรวม 1,625 คนครับอาจารย์ครับก็ <c oughs> ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาทรัรมในวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากกันน้อย การสนาารทสนาเราทสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจะงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอสาธุแล้วก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงท้านม่โอกาสหน้าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีเหตุการก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคย ขอเจรพรแบบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ